อิเมขปนายะสมันโตเตระสังฆาติเซสาธรรมาอุเทสังอาคชาอุเตสัญเจตนิาสุขาวิสัทธิอัญญัตระสุปินันตาสังฆาติเซโซยโยปนพิกขุโอดินโนวิปเรณเตนะจิเตนามาตุขาเมนะสัตถิงกายสังสักขังสมาปชัยียาหะทักขังวาเวนิขังวาอัญญตราชวาน อันยตร า, าวะอังกัสสาประรัมสนังสังาติเซโซนโยปะณาปิคุโอตินโนวิปปะริณเตนะจิเตนามาตุกขมันตุทุลลหิวาจาหิโอภาสิยะยะธาตังยุวาโยติงเมโทนูปสัณหิตาหิสังาติเซโซนโยปะณาปิคุโอตินโนวิปปะริณเตนะจิเตนา มาตุคามัสสะสันติเกอตตามาปาริจริยายะวนังภาษาเอียเอตตะคังพะเคนิปาริจริยานังยามาดิสังสิละวันตังกลยยงัลยานัตธรรมพระมจจริงเอเทนทัตเมนะปริจรียติเมทโนบะสันหิตนณสังขติเซโซโยปนาปิกุสันจาริตังสมาปชาเฮ ย, ย อิทธิวาปุริสัมติงปุริสัสวาอิทธิมาติงชัยตเนวาชารัตตเนวาอันตมโสตังคณิกายปิสังาติเสโซนสัญญาจิกายาปนาภิกุณากุติงการยะมาเนนาอัตซ่ามิกลังอัตุเทสังประมาณิกาการิตาภานตัตตฤทธังประมาณังทีกโอทวาทสศวิทัติโยสุขตาวิทัติยา ติริยังสัตตันตราภิกข u อภิเนตภาวัตถุเทศนายาเตหิภิกข u หิวัตุงเทเสตพังอนารมภังสปาริกกมณังสารมเพเจภิกข u วัตุสมิงอภิริกกมณีสัญญาจิกายะกุติงการายาภิกข u วะอนภิเนยัวัตถุเทศนาหยาปะมานังวะอติกามียาสังาติเสสน มหัลลากามบันาภิกุณาวิหารังการียะมานเอนาสัตสัมมิกังอตุเทสังพิคุอภิเนตภาวัตุเทศนายาเตหิพิคุหิวัตุทุเทเซตพังอนารมพังสปาริกกมมนตังสรัมเพจพิขุวัตุสมิงอปริกกมมณีมหัลลกังวิหารังการียะภิคุวะอนาพินียวัตถุเทศนายสังขาติเซโซน โยปนาภิกขุภิกขุงทุสโทโทโสอปติโตอมูลเกนะปาราชิเกนะธรมเณนะอนุทังสอสยะอเปวะนามังอิมมหาพระมจจริยาจาวัยันติตัตโตอะปเรนะสัมเยนะสัมนุขหิยะมโนวาสัมนุขหิยะมโนวาอมูลกันเจวะตังอาทิตกรณังโหติ ภิกขุจะโทสังปฏิทธาติสังขาติเซโซยโยปนาภิกขุภิกขุงตุดทโทโทโซอั ป, ปติโตอันยภะขิยสสะอธิการณสัสสกินจิเทสั่งเลสมัตังอุปาทายาปาราชิเกณธัมเมนอนุทังไสยะ อ, ยอเปวะนามานางอิมมหะพระมัจจริยาจาวิ ย, ยันติ ต, ตัตโตอภเวนะสมเยนสมนุขหะยมาโนวาอสมนุขหะยมาโนวาอัญญพาิยันเจวะตังอธิการณังโหติกจิเทโสเลสมตโตอุปาทินโนพิกขุจะโถสังปติธาติสังคาริเสโซยโอปปนาภิกุสมมัสสสังคัสสเพทายปรักกามะอีย เพทนาสังวัตนิกังวาอธิการนังสมาทายปะไขหะติทายียะโสภิคุภิคุหิเอวมัสสาวชนิโยมาอายสัมมาสัมกะสะสังกะสะเพทายาประกมิเพถนาสังวัตนิกังวาอธิกรนังสมาทายปะไขหะอัธาเสสเมตายาสมาสังเขนะสมะโคหิสังโคสมุธมาโนอวิวัฒมาโนเอกุเทโสภาสวิหรติเต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 เอกวาทเววาทยวาเตเอวังวะยทิยุงมาอายสัมันโตเอตังปิคุงกินจิอวจุดธาธรรมวาทีเจโซปิขุวินิยวาทีเจโซปิคุอัมหะกันเจโซปิคุฉันทันจะรู้จินจะอาทายะโวหารติชานาติโนภาสติอัมหะกัมเปตังขมาติติเตปิคุปิคุหิเอวามัสวัชณียา มาอยสัมมันตุเอวังอวัจุธานาเจโสปิคุธรรมวาทีนาเจโสปิคุวินยวาทีมาอยสัมมันตานำปิสังฆะเพโทรุจิธาสเมตาอยสัมมันตานังสังเคนสมักโหหิสังโฆสมโธธมาโนอวิวธรรมาโนเอกุเทโสภาสุวิหรติตตเอวันจะเตปิคุปิกคุหิุัจมานาตัเทวาปะภันให้อยง เตปิคูปิคูหิยาวตติยังสมเนปหาสิตภาตัสสะปตินิสัคขายายาวะตติยันเจสมเนปหาสิยะมานาตังปตินิสัชเชียยุงอิเจตังกุสลังโนเจปัตินสัชเชียยงสังขติเสสนปิขุปัเนวัตุปจชาติโกโหติอุเทศะปริยาปัเนสุสิก้าปะเทสุปิคูหิสหะธรรมิกัง พุทธมโน atanang awa chaniyang karoti mamang ayasamanto k i n า aw so uh i awa cutha kaliya nangwa pa pagangwa ahampa ayasamante naki civa kami kaliya nangwa pa pagangwa viromatha ayasamto mama wacanayati so piku piku he w a m a s a w a a n i y o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 เอวันจะโซภิกขุภิกขุหิุจะมานตัทธิวะปักขันให้ยาโซภิกขุภิกขุหิยาวะตัติยังสมานุปัสิตาภวตัสสะปะตินิสัจขะอายะยาวะตัติยันเจ้าสมานุปัสิยะมานตังปะตินิสัจชายะอิเจตังกุสลงโนเจปะตินิสัจชายะสังฆาติเซโซภิกขุปเนวะอัญยะตระรังคามังวานิคามังวา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 กุลันิจัยสมัติทุธานทิสันติเจวสุเหิยันติจารกามตายาสมาอิมมหาอาวาสาอาลันเตอิทวะเซนะอาติเอวันจัสรภิกขุภิกขุหิอุจจมาโนเตภิกขุเอวังวัฏใหียชนคามิโนจภิกขุโทสคาเมโนจภิกขุโมหคามิโนจะภิกขุพยคาเมโนจะภิกขุตาทิสิกายาปติยาเอกจังปภาเชนติ เอกจังนภาเชนตีตีโสปิโกปิโกหิเอวมะสาวชนิยโยนมาอิสสะมาเอวังอวัจจานาจปิโกชันคามิโนนาจปิโกโทสคามิโนนาจปิโกโมหคามิโนนาจปิโกพยคามิโนอิสสะมาโกกุลโทสโกปาปะสมาจารรอิสสะมโตโกปาปะกาสมาจารา เสันติเจวะโสยันติจารุลานิจายสมมาตาตุธานีเสันติเจวะโสยันติจาปกามตายาสมาอิมมหะอวะสาอลันเตอิทวะเซนอาติเอวันจัสรุภิกขุภิกขุหิวัจมาโนตัทธิวปะขันให้อิยาสรุภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมนุปาสิตโพตัสปะตินิสาขาอิยา ยาวะตตยัเจสมนุปาสิยานตังปะตนิสัจยาอิเจตังกุสละนโนเจปะตนิสัจยาสังาติเซโซนอุทิ tha ขออัยสมันโตเตระสะสังาติเซสาธรรมานวะปัตถมาปติกาจัตตารโยยาวะตติยกาเยสังพิคุอัญยตระวาอัญยตระวะอปาชิตวายาวะติหังชานังปติชาเทติ ตาวัติหังเตนาพิกุณาอากามาปริวัฏฐภังปริวัฏฐปริวาเสนาพิกุณาอุตริงชาวรตังพิกุมาณตายะปฏิปัชิตภังจินนามานโตภิกุยะถาสิยาวิสติขโนภิกุสังโฆตัทโซพิกุอภเพตโพเเกนะปิเจอโนวิสติขโนพิกุสังโฆตังภิกุอภัยยาโซเจพิกุอนภิโต